นะโมตัสสะเปโขวตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเปโขวตุระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเปโขวตุระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปฏิสนากรรมฐานทีปนะสีระวิสุทธิทิตตวิสุทธิทิตทิวิสุทธิกังขาวิตรรณวิสุทธิมักขามักขาาณัตสัทนาวิสุทธิปฏิปทาญาณัตสัทนาวิสุทธิยาณัตสนวิสุทธิเกติสัตวิเทนะวิสุทธิสังคโหติ ณโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพารนาถึงเรื่องวิสุทธิเกศให้ท่านสาธุชนได้สะดับรับฟังสืบต่อไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตามปกติท่านเพึ่มมีกุศลกิจเป็นโบนเฉพาะอย่างยิ่งวัดหมหาธาตุญาโยมท่ต้องพากันไปมากในธรรมวิจัยเวลาประมาณเก้าโมงญาติโยมไหว้พระเสร็จแล้วก็ กรรมฐานศีลฟังคําบรรยายนั่งกรรมฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลจบไปตอนหนึ่งในตอนเช้าก่อนเพลิส่วนญาติโยมที่เข้าโบสถ์ตอนเช้าก็ได้ไหว้พระแล้วก็ได้รับศีลฟังเทศตอนบา่ายทรมีใจก็มีอีกหรือจะมีเดินโยกรมมีนั่งกรรมฐานมีบรรยายธรรมะในโบสถ์ก็มีฟังเทศและไปนั่งกรรมฐานอีกโดเฉพาะวันพระ ที่นญาติโยมที่ไม่ได้ไปวัดแต่ว่าใจบุญใจกุศลก็เปิดวิทยุฟังเทศเพราะว่าในวันอาทิตย์เทศหลายแห่งทางกรมประชาสัมพันธ์ก็โดยมีปาธกธถาธรรมทางยานเกาะก็มีเทศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เป็นเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมะมานานแล้วหลายปีแล้วแต่บางครั้งก็เทศเดียวเอเจ้าหน้าที่ที่จะ อยากจะบันทึกเทปไว้ก็ให้เทศเดียวก็มีบางครั้งมีโอกาสก็เทศปุตชาวิสัจนาสองธรรมะเฉพาะวันนี้ท่านพระครูปรลัดพนมต้องการจะบันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานให้อตามาเทศถึงเรื่องวิสุทธิเกตอันในแนวปฏิบัติแนวประิยัติเทศกันมามากแล้วดังนั้นต่อไปนี้ก็จะได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิเกตคว่าวิสุทธิ แปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดยวิเศษวิตุนีววิเศษสุทธิก็บริสุทธิ์หรือวิสุทธิกับความบริสุทธิ์เอาคำง่ายๆก็ได้ทีนี้ความบริสุทธินั้นมีเท่าไหร่ที่เรียกว่าวิสุทธิในที่นี้ท่านจำแนกแกกเอาเกอย่งเกตย่งนั้นคืออะไรหนึ่งสีลวิสุธิ องกิตตวิส ik ุทธ me ิความบริสุทธิ์ของศีลกิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของกิจทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ของทิฏฐิกังขาวิตรนาวิสุทธิความบริสุทธิ์ของญาณที่ข้ามพ้นจากความสงสัยมัคคามัคคาณทัทชนวิสุทธิความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณว่าเป็นมัคคปฏิปทาและไม่ใช่มัคคปฏิปทาปฏิปทายาทัทชนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งการเห็นแจ้งของญาณเป็นเครื่องดำเนินไปสู่มรรคปฏิปทาโดยส่วนเดียวญาณทั ศ, ศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งแทนตลอดของญาณอันนี้เรียกว่าตามตัวหนังสือนะเป็นความหมายของคำว่าวิสุทธิทีนี้วิสุทธินี้ท่านกล่าวไว้ในพะสูตว่าถึงเรื่อง พระปุณณมันตาในปุตต์กับภาษาลิปุตรในถามปัญหากันว่าจะไปนิพพานเนี่ยมันจะไปยังไงประมาหทโดยฟังให้เห็นท่านก็อุปมาว่าเหมือนคนขึ้นรถเกตคันเราขึ้นคันนี้ลงคันนั้นขึ้นคันนั้นลงคันนั้นจนกระทั่งคันที่เกตนั่นแหละจะว่าไปถึงพระนิพพานด้วยคันใดคันหนึ่งไม่ได้ต้องอาศัยรถทั้งเกตนี่แหละเหมือนรถเกดัดน่ะ มาจากคันนั้นขึ้นคันนั้นลงคันนั้นขึ้นคันนั้นต่อไปต่อไปจะวาดถึงนิพพานด้วยรถคันใดก็ไม่ได้แต่ต้องไปด้วยกันทั้งเกตคันนั่นแหละนะอันนี้เป็นปัญหาข้อแรกๆทีนี้ต่อไปก็จะได้อธิบายแต่ละข้ออ้อแต่ละข้อคําว่าวิสุท ธ, ธิบรวิวาความบริสุทธิ์ว่าความบริสุทธิ์มันมีหลายอย่างแต่ในเฉพาะที่นี้จํากัดตายตัวว่าต้องเอาเกตข้อเท่านั้นอื่นไม่เอาจะวาดในแนวปฏิบัติ ในศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลศีลบริสุทธิ์ก็อันเดียวกันนะที่นี้ศีลบริสุทธิ์ในที่นี้น่ะไม่เอาแค่ไหนคนที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิไหมเป็นคนถือศีลห้าศีลห้าบริสุทธิ์ก็เป็นวิสุทธิได้คนถือศีลแปดศีลแปดบริสุทธิไม่ขาดตกพกบพ่องก็เป็นวิสุทธิได้ คนถือสินพุที่สือสินสิบขินเนินศินบริสุทธิ์ก็เป็นศีระวิสุทธิได้พระสงฆ์องค์เจ้าสินสองรอเกียรติสินบริสุทธิ์ก็เป็นสีระวีสุทธิได้ได้เหมือนกันไอศินอันนี้เป็นศินนอกมักไม่ใช่ศินในมักแปดแต่ก็จัดเป็นวิสุทธิได้เพราะปรีสุทธิแปลว่าความบริสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์แต่ศีระวิสุทธิสําหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้มีอารมณ์คนละอย่าง สีลวิสุทธิดังที่กล่าวมานั้นสีนบริสุทธิ์ตามปกติธรรมดานี้เป็นศีลของบุคคลธรรมดามีอารมณ์อย่างหนึ่งเช่นปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าสมทานสิกขบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตอันนี้มีศัตว์เป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช่วิสุทธิในมักแปดเป็นศีลธรรมดาเป็นปกติศีล แต่ศีลของพูดจเจริญวิปัสนากรรมฐานนี้เป็นศีลในมรรคแปดจะต้องมีรูปกับนามเป็นอารมณ์เช่นกาห น, นดพองหนอยุบหนอนี่ศีลบริสุทธิ์อย่างนี้จึงจะเป็นศีลบริสทุทธิในมรรคแปดตาธรรมดาเป็นนอกมรรคเพราะฉะนั้นในที่นี้มงเอาศีลในมรรคแปดที่จะบรรยายที่จะเทศในวันนี้อธิบายในวันนี้ไม่ใช่ศีล น, นอกมรรคเพศศีลในมรรคแปดนี้แม้ผู้นั้นจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมา ก็สามารถจะเป็นศีลวิสุทธิได้ไหมตอบว่าเป็นได้ตัวอย่างพระองคุลีมานไปฆ่าคนตายมาแล้วพอมาเริ่มทํากรรมาฐานศีลวิสุทธิของท่านก็มีแล้วหรือท่านเริ่มบวชนะกหมายความว่าศีล ต, ตอนนั้นเป็นศีลธรรมดาเพราะท่านบวชซะเป็นเพราะถ้าท่านเดิมโยกมนั่งกรรมาฐานถ้าจะมาใช้กรรมใช้เวรกันอยู่ท่านไม่ได้สําเร็จแล้วในชาตินั้น อ้ขันศีลตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านเริ่มเดินจงกรมนั่งกรรมฐานนั้นเป็นศีลวิสุธทธิในมรรคแปดแล้วนางกุลดลเกสีเทรีข้าผัวตายแล้วก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานในมาบุตด้วยวินาทีแรกที่เริ่มเดินจงกรมนั่นแหละเป็นศีลวิสุธทธิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงแม้จะไม่ได้สมาทานศีลก็ต่าง พอมาข้อสมทานกรรมฐานเดินจงกรมพอเริ่มเดินจงกรมศีลวิสุธทธิเกิดได้แล้วเราเดินโยกรมขวา ย, ย่างนอ้อยหนอกําหนดท้องพองหนอถึงพุ่นนั้นจะไม่ได้สมทานศีลมากก็าตามสีลวิสุธทธิเกิดขึ้นในขณะวินาทีแรกที่เริ่มเดินโยกรมเริ่มนั่งกรรมฐานเกิดได้แล้วค่อยสะสมไปทีนิดทีนิ ด, น, ดนั่นก็ือว่ากสีลวิสุธทธิสีบริสุทธิ์ใช้ได้เหมือนกันเพราะมีรูป ก, กับนามเป็นอารมณ์แล้ว เริ่มเดินจงกรมเริ่มกำหนดขันห้ามือะไร่เมื่อ น, นั้นศินของเทโพนั่นก็เกิดได้เป็นศินในมักแปแต่ศินนอกมักก็สงเคราะห์เข้าได้เพราะตอนนี้ยังไม่เข้าถึงเขตวิปัสนาเลยสินในมักแปดสินนอกมักก็สงเคราะห์เป็นสีระเบิดที่ได้ทีนี้ในขณะที่เดินยุงกรมแล้วนั่งกำหนดพองเนยุบหนออยู่นี่เป็นสีระเสุดที่ในมักแปดนะศินบริสุทธิ์ข้อที่สองข้อนี้เอาตัวนี้ ศีลบริสุทธิ์ในขั้นต้นต้องมีอารมณ์คือมีรูปกับนามเป็นอารมณ์ข้อที่สองจิตวิสุทธิจิตบริสุทธิ์หมายเอาแค่ไหนถ้าตามความหมายโดยทั่วไปหมายเอาผู้นั้นเจริญสมถะได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิที่เรียวกว่าจิตตวิสุทธิแต่ในวิปัสสนาท่านหมายเอาแค่คณิกาสมาธิเท่านั้น เพราะในบาลีวิสุทธิมักท่านกล่าวไว้ว่าผู้เจริญวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธิถ้าอุปจารกับปปนา ล, ลึกไปไม่เห็นพระไตรลักษณ์ไม่เห็นรูปนามเกิดดับใช้คณิกะสมาธิตึงจะเห็นดังนั้นในขณะที่กําหนดพองเนยุบหนย อ, อยู่จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์เกิดได้แล้วมีรูป ก, กับนามเป็นอารมณ์นี่เป็นจิตวิสุทธิคือใจบริสุทธิใจเป็นสมาธิในมักแปด หมายเอาแค่นี้เกบลงไปแล้ววิสุทธิสองนะสีละวิสุทธิศินบริสุทธิ์หมายเอาขณะที่เดินโยมกรมที่นั่งกรรมฐานจิตตวิสุทธิหมายเอาขณะที่นั่งกรรมฐานกําหนดท้องของยบได้คณิกะสมาธิไม่หมายเอาอุปจารและอปปนาในมรรคแปดถนอกมรรคหมายเอาได้ในสมถะหมอายอุปจารอปปนาได้แต่ในวิปัสสนาหมายเอาแค่คณิกะสมาธิเท่านั้นเป็นกิตตวิสุทธิได้ ต่อไปถึงวิสุทธิข้อที่สาทิฏฐิวิสุทธิความเห็นอันบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ของควำเหน็นก็ได้วความความเห็นอันบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของความเห็นก็หมายความว่าคำเห็นนั้นบริสุทธิ์เออความเห็นบริสุทธิ์อี่ทิฏฐิตัวนี้แปลว่าความเห็นคําว่าทิฏฐินี่เป็นคํากลางเป็นคํากลางแปลว่าความเห็นเฉยๆยังไม่หมายเอาดีและชั่ว ตามปกติจะดีจะต้องมีคํามาต่อท้ายหรือต่อหลังเช่นมิจฉาทิฐินี่เป็นชั่วความเห็นผิดพอสัมมาทิฐิความเห็นถูกที่นี่ไปต่อหลังทิฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ของความเห็นถ้าอย่างนี้แหละเป็นฝ่ายดีไม่ใช่ฝ่ายธรรมดาอันตัวนี้เป็นชื่อของปัญญานะทิฐิวิสุทธิทิฐิตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่เป็นชื่อของ ธรรมดาแล้วคิดฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิแล้วเห็นอะไรจึงจะเป็นคิดฐิวิสุทธิในทีนี้คือเห็นรูปกับนามสามารถแยกรูปแยกนามได้นั่นคือตัวทิดฐิวิสุทธิเช่นขณะที่กาหนดท้องพองน้อยยุบหนอพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่รู้พองกับใจที่รู้ยุบเป็นคนละใจไม่ใช่ใจเดียวกัน อย่างตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามหูกับเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามจมูกกับกลิ่นเป็นรูปรูปกลินเป็นนามลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามกายกับผลทพะเป็นรูปสิรูเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นนามใจนึกถึงอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่นึกถึงเป็นรูปใจเป็นนามรวมคําว่าคําว่ารูปนามได้เกี่ยวกับใจรู้ไม่ใช่อื่นจากนี้ ได้แก่ปัญญานามรูปะปริเททยานยานที่หนึ่งนี่แหละได้แก่วิสุทธิข้อที่สามนามะรูปะปริเททยานมีปัญญาแยกรูปวามนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลโก ต, ตนเลาเขาท้องคลองเป็นรูปท้องยุบเป็นรูปใจทะลุปเป็นนามตากับสีหูเสียงพ่นในสดเม็ดเส็จโมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปใจเป็นนาม ร่างกายทั้งหมดเป็นรูปใจเป็นนามเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ชื่อวัาทิทิวิสุท ธ, ธิแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แล้วนี่เป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสน า, ศาแล้วก็เป็นวิสุท ธ, ธิที่สามในวิสุท ธ, ธิทั้งเกตทำควาเข้าใจง่ายๆวิสุท ธ, ธิที่สามก็เดแก่นามรู ป, ปะผลิเชทยานยานที่หนึ่งนั่นเองทีนี้วิสุท ธ, ธิที่สี่ กังขาวิจารณาวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยข้มพ้นความสงสัยเสียได้ท่านเรียกว่ากังขาวิจารณาวิสุทธิความสงสัยในอะไรสงสัยในพระพุทธเจ้าตรมปรส่งใช่ไหมโธกต้องความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์ท่านเรียกว่ากังขาวิจารณาวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยอย่างนั้นโดยหลักปริยัต กังโดยมากความสงสัยมีถึงแปดอย่างพุทธเทกังคติสงสัยในพระพุทธเจ้าทำเมกังคติสงสัยในพระธรรมสังเถกังคติสงสัยในพระสง์สงสัยว่าเอพระพุทธเจ้ามีพระคุณอรหังเป็นต้นจะจริงดังที่กล่าวมานั้นหรือไม่เนาะพระธรรมมีคนหกมีสวาาขาโตเป็นต้นจะเป็นจริงดังที่กล่าวมานั่นหรือไม่พระสง์ ขรคุณธรรมเก้ามีสุปฏิปโนปฏิบัติดีเป็นต้นหรือปฏิบัตจิจะเป็นจริงหรือไม่ศิกขาแยกกังขังสงสัยในศิกขาคือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาพอข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธโคดมได้ตรัสไปนั้นจะผิดถูกประการใดและจะได้รับประโยชน์จริงหรือไม่สงสัยในขันห้าที่เป็นนาดีตคือกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายในเคยเกิดมาแล้วแต่ในอัตภาพนั้นจริงหรือไม่ สงสัยในขันห้าที่เป็นอนาคตหือกล่าวว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายลงไปแล้วจะเกิดต่อไปนั้นจะไปเป็นจริงหรือไม่สงสัยในขันห้าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตคือสัตว์ทั้งหลายที่กําลังปรากฏอยู่ในวัดนี้นัตนกล่าวกันว่าได้เกิดมาแล้วและจะเกิดต่อไปอีกจะเป็นจริงหรือไม่อิทัพปจิยตาสงสัยในปฏิจจสมุปปนธรรม มีสังขารเป็นต้นโดยปฏิจจสมุปปนธรรมมีวิถาเป็นต้นเป็นปัจจัยคือในเรื่องบนบาศและการสืบต่อแห่งพบใหม่การเห็นการได้ยินของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องมาจากความหลงและการจัดปรงแต่งกายวิใจัยใจเป็นต้นซึ่งเป็นสาเหตุนั้นจะเป็นจริงหรือไม่อันนี้ว่าหลักปริยัติทีนี้ว่าถึงปฏิบัติเวลาผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเมื่อถึงยา น, นี้ทักจะสงสัยว่าเอออืม กำหนดไปถึงยานที่สามเขเรียกกังขาวิตระาวิสุทธิเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นสงสัยอะไรในทีนี้น่ะสงสัยว่าข้อปฏิบัติมันจะถูกหรือเปล่า ه, เวลาเดินลงคมเวลานั่งอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นยังไงบางทีกำหนดพองเนอะยุ้งนามันหายไปแล้วไปไหนไ ه, หายละไทีนี้นั่นคือสงสัยละพองเนอะยุ้งนาพองยุบมันเบาบางทีมันหายเงียบไปไ ه, มีใจรู้อยู่แต่รู้กับนามพองยุบมันหาย ไ, ไปไหนบางทีตะเบงพองบางทีแกล้งหายใจให้มันแรงขึ้นมาอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่านี่แหละคือสงสัยล่ะสงสัยในเวลาปฏิบัติโดยสภาวะสงสัยอย่างนี้แต่โดยหลักระยกระกิจที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละแต่โดยหลักปฏิบัติเราเป็นอย่างนี้สงสัยว่าอพองยุบมันหายไปไหนบางทีก็หายใจแรงแรงอืมแกล้งหายใจแรงแรงเลยทีมีอยู่หรือเปล่าอ่า บางทีก็พลิกบางทีก็ขยับให้ให้พองยุบมันชัดขึ้นมา อ, อันนี้แหละคือการหาเหตุหาผลแล้วเนี่ยมันหายไปไหนนี่สงสัยแหละแต่บางครั้งรูปมันเป็นเหตุนํา ม, มันเป็นผลเช่นพองพองขึ้นก่อนแล้วแล้วใจมันจึงวิ่งไปกําหนดอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ใช่อยู่ในลักษณะเดียวกันคือคู้นั้นคอยสงสัยว่าเอ๊ะอะไรมันก่อนกัน รูปมันเกิดก่อนหรือน้ำเกิดก่อนแล้วบางครั้งน้ำเป็นเหตุรูปเป็นผลก็มีเป็นใจมันวิ่งไปคอยอยู่ก่อนแนละ้วท้องจึงกองกันผู้นั่นก็สงสัยมันยิ่งสงสัยว่าไอ้มันอะไรก่อนกันอะไรหลังกันสองอย่างเลยคือมันมีสองสิ่งเท่านั้นมีอาการโนนของท้องกับของรู้สึกและอะไรมันก่อนกันแล้วบา ง, างครั้งคล้ายๆอาการโนนขึ้นซะก่อนใจมันจึงรู้แต่บา ง, างครั้งคล้ายๆใจมันค อ, อยไปคล้องในจ้องรูซะก่อนแล้วไอ้ท้องมันจึงโนนนี่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาอะไรก่อนกันแน่ เวลาจะยืนนะก็เหมือนกันก็เป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกันเช่นใจที่จะอยากจะยืนมันก็เป็นเหตุลูกที่ยืนขึ้นเป็นผลแม้อยากนอนก็เหมือนกันแต่วางที่มันยังไม่ได้อยากมันไปซะก่อนแล้วก็ชักสงสัยขึ้นมาอีกบางครั้งพองมันค้างอยู่เฉยเฉยมันไม่สุดลงไปนะก็สงสัยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้บางครั้งมันยุบลงไปลึกๆแล้วมันค้างอยู่ก็มีคล้ายๆกับว่ายุายายนอแล้วหยุดนิดนึงตงนั้น ไอ้าไปไหนไปฏิใจมันก็นคิดต่อไปอยู่บางทีพองยุบมันหายไปผู้ปฏิบัติเอามือไปคำดูก็มีบางทีเวทนามันมากวบางน้อยบ้างตัวเองก็เข้าใจว่าเคราะ์ร้ายก็มีนั่นคือสงสัยแล้วนะ่ะเนี่ยสงสัยว่านึกจะเป็นเคราะร้ายก็มีนี่บางคนมีนิมิตมารพบวนมากที่เห็นเป็นรูปสัตว์เป็นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารสถานที่คนที่ตายไปแล้วเทวดาเป็นต้นพวกที่มาปรากฏตายไปแล้วก็เห็นมาแล้ก็ามาขอส่วนบนุญ อันนี้ก็อยู่ในเกียรสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่พองกับยุบพองยุบกับกิจที่กำหนดเมบางทีมันไปพร้อมกันในบางทีสะดุง้งพบไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างบางทีบางคนจะมีความเห็นว่าเออพบนี้พบหน้าพบต่อ ต, อตอไปก็คงมีเพียงเหตุเพียงผลมีเพียงรูปเพียงนามเท่านี้พองครั้งหนึ่งมีสองระยะต้นพองสุดพองก็มีอย่างนี้อยู่ในกัขงขาวิจารณาวิสุทธิสงสัยว่าเ อ, อ๊ะมันจะมีกี่อย่าง มันมีกี่อย่างมันพองน้อนี่มันกี่ตอนกี่วักกี่นั่นหนอะมันรวดเดียวหรือสองสองไอ้เคยๆเจะสองเคยๆจะสามไอ้เคยๆจะอันเดียวนี่สงสัยให้สังเกตดูเทนี้เมื่อปฏิบัติถึงคันนี้มันหายหายสงสัยแล้วไม่มีสงสัยเราเอารูปกับนามคืออะไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็หายสงสัยเนาะอามินเหตุเป็นปัจจัยเหตุและผลของกันเลกันสองอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลของกัลเลกัน บางทั้งรูปเป็นเหตุน้ำเป็นผลก็มีบางทั้งน้ำเป็นเหตุรูปเป็นผลก็มีที่แท้มันเป็นอย่างนี้เห็นภาบชัดในจิตใจของผู้นั้นนี่แหละคือกังขาวิตรณาวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยสงสัยในคําว่ารูปกับน้ำอะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ําหายข้อคงใจสงสัยแล้วเหมือนกับคําว่าหนวดเต่าเขาก็ะายใครจะมาบอกว่าเออฉันไปประเทศอเมริกามัน เตามันมีหนวดกระต่ายมีเขาคนนี้จะไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดไม่มีกระต่ายมีเต่าที่ไหนหรอกเออเต่ามีหนวดกระต่ายมีเขาหนวดเต่าเขากระตายมีไม่ได้นอกจากเขาเขียนเล่นเท่านั้นไม่มีเป็นอันขาดแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่ากังขาวิตรณาวิสุท ธ, ธิข้ามพ้นความสงสัยในรูปกับนามรูปนามเป็นยังไงหายข้อสนใจสงสัยโดยใจความก็ในแกยาณที่สอง คือปัจจยปริคหายานนั้นเองฐานนับเป็นวิสุทธิเป็นวิสุทธิขอ้ 4, อที่สี่รังขาวิตรนาวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์มีความเห็นอันบริสุทธิ์คยข้ามพ้นความสงสัยเสียได้มีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้ไหนก็มาไม่สงสัยแล้วคำว่ารูป ก, กับนามคืออะไรใครจะมาโกหกใครจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วค้แนแม่ใจแล้ว นี่แหละคือหายสงสัยในสภาวะปฏิบัติก็ให้สงสัยในคําว่ารูปกับน้ำเหตุกับผลทุกคนที่เกิดมาในโลกมีรูปกับน้ำและมีเหตุมีผลเมื่อมีรูปมีนามเขาก็ต้องมีเหตุและผลบางครั้งรูปเป็นเหตุรูปเป็นเหตุก็มีบางครั้งน้ำเป็นเหตุก็มีเมื่อรูปเป็นเหตุน้ำก็เป็นผลเมื네่อน้ำเป็นเหตุรูปก็เป็นผลเช่นเราอยากลุกนี่แหละคือนาำเกิดก่อนเป็นตัวเหตุร่างกายที่ลุกไปนี่รูปเป็นผล บางครั้งเรายังไม่ภาวนาพองหนาะท้องมันนูนไปซะ ก, ก่อนนะอย่างนี้รูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจที่ตามไปนั่นนามเป็นผลไม่มีสงสัยแนละ้วมันเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้มีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังขึ้นยังลงใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสภาวะนี่มีอยู่อย่างนี้นี้คือกังขาวิตรนะนาวิสุท ธ, ธิเป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่สี่นี่ต่อไปเป็นข้อที่ห้า มีสุดที่ข้อที่ห้าเรียกว่ามัคคามัคคยาณทัศนาวิสุทธิคือมีความบริสุทธิ์คือความรู้ในหนทางที่ถูกและผิดมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์มัคคามัคคญาณทัศนาวิสุทธิยาณทัศยาณนะเปความรู้ทัศนะความเห็นมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าเ อ, อ้ออันนี้ทางผิดอันนี้ทางถูกละทางผิดยิดทางผูกต่อไปแล้วนี่เป็นตัวสภาวะอ่า รู้หนทางถูกหลือหนทางผิดว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกทราบแล้วแล้วก็เว้นซะอันนี้เรียกว่ามัคคามัคะก็ได้เกียรยานที่สามนั่นเองญานที่สามนะเรียกว่าสัมมนญาณในสัมมนญาณ น, นี้มันเกิดอุปกิเลสขึ้นมาเนี่ยสัมมนญาณอย่างแ่เกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดอุปกิเลสขึ้นมาอุปกิเลตถึงสิบอย่างในยานนี้ยเนี่ยนี่แหละ เรียกว่ามัคคะถ้าเราหลงทางเรียกว่าอะมาัคทันจึงใช้สับคู่กันมัคคามัคคะมัคคะตัวตน้นนั่นเป็นทางถูกอะมาัคตัวหลังเป็นทางผิดใช้คําว่ามัคคามัคคะกัตตัดเป็นมัคคะอามาะัคคะมาต่อกันเป็นมัคคามัคคะมีความรู้ควเห็นอันบริสุทธิ์คืออันนี้มันถูกอันนี้ผิดแล้วละที่ผิดยิดทางถูกต่อไปที่ถูกที่ผิดก็คืออุปกิเลสจิตมันเกิดขึ้นในยานนี้ เมื่อถึงยานที่สามแต่ๆเขาเขย็ดยันสอ่อนๆ อ, อ, อุปจิเลสิบเกิดขึ้นตรงนี้เป็นยานเป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่หนะ้าละวิสุท ธ, ธิข้อที่ห้าก็ได้แก่วิปสัญญาณข้อที่สามคือสัมมสนญญาณ น, นั่นเองแต่เป็นวิสุท ธ, ธิเป็นมัคคามัคยานัทเสนสุท ธ, ธิแต่เป็นวิปสัญญาณก็ได้แก่ยานที่สามสัมมสนญญาณมันตรงกันนะ วิสุทธิข้อที่หนึ่งที่สองสีลวิสุทธิกิตวิสุทธิอันนี้ยังไม่จัดเป็นยานหนึ่งยานสองพอถึงวิสุทธิข้อที่สมได้แก่ยานที่หนเรียกว่านามรู ป, ปะปริชีทยานวิสุทธิขันทีสี 4, กังขาวิตนาสุทธิก็ได้แก่ยานที่สองปัจจะยะปริระยานวิสุทธิข้อที่ห้ามคามัคคยานัทนาวิสุทธิก็ได้แก่ยานที่สามสัมมสนญาณอย่างแก่นั่นเอง สมมสนญญาณเประวิญญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นผัสไตรรักแต่ว่าเห็นโดยการคิดเลวกินตาหยานเมื่อถึงตรงนี้จะเกิดอุปเิเลสขึ้นมาสิบข้อหนึงโอภาษแปลว่าแสงสว่างสองปีติความเ อ, อิบอิ่มสามปัจสถานสงบสี่สุขคอนสบายหาสัทธาความเชื่อหกปกาหะความเพียรเกตุ ป, ปัานสติปรากฏชัดแปดานคือความรู้เก้าอุเบขาความวางเฉยสิบนิกกันติความไข่ นี่แหละสิบอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจิจิตเกิดขึ้นมาในระหว่างนี้คนจะหลงทางไปหลงทางตรงนี้ผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านเข้าใจผิดถึงตรงนี้ว่านึ ก, กว่าเป็นทางถูกแล้วเนี่ยโภพัสตแปลว่าแสงสว่างบางทีเท่าหิ้งห้อยเท่าไฟฉายเท่าตารถจนเท่าตารถไฟบางทีมันสว่างทั้งห้องก็มีสว่างจนมองเห็นตัวเองก็มีบางทีมันสว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากั้นก็มี บางทีสว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าไม่ใช่สว่างจนหินประตูปเปิดเอามือไปปิดบงังลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างสว่างขึ้นเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆคือเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆสวยงามดูเพลินก็มีบางทีเห็นทะเลตั้งโยศยกตัวอย่างคือพระทีระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นดอกไม้ทีลานพระเกดี แล้วบอกเพื่นมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งโยอดหนึ่งแล้วบอกเพื่นมาดูบางทีมีแสงสว่างพุ่งออกจากร่างกายและจากหัวใจของตัวเองบางทีสว่างจนนิรมิตเป็นรูปช้างได้ะบางทีรูปพระเจดีได้รูปพระศรีมหาโพธิได้รูปพระพุทธเจ้ารูปพระอาหารรูปอะไรสร้างขึ้นมาจนบางคนนิรมิตเป็นรูปหนังอันนี้นีผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้ากรรมฐาน แต่ไม่ใช่เขาที่นี่น ะ, จะเจริญสมร tha เห็นเป็นจอหนังจออะไรได้ตั้งนั้นบางทีมากไปจนกระทั่ ง, งพระพุทธโลกพธิดได้ก็มีเนี่ยบางทีนั่งไปดูธาตเจ็ดแจ๊วชีลาวณีก็่ามีแต่ไม่ใช่ไปจริงหรอกคิดมันคิดมันสร้างขึ้นมาแต่คนส่วนมากเขโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดที่แท้สติไม่ทันอบางคนก็เห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยนะอย่างนี้เรียกว่าโอภาคมันเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าคนปฏิบัติ สูงขึ้นมาจะเข้าใจทีเดียวรู้อันนี้ไม่ใช่กําหนดเลยเห็นน้อยให้ น, นอไปเลยนี่ถ้าใครดูนั่นเรียกว่าอามักแปลว่าหลงทางแล้วถ้าคนไม่ดูกําหนดเห็นหนอเห็นนอให้หายไปนั่นเรียกว่ามักคะแต่ว่ารู้ทางถูกแล้วก็ละทางผิดนี่ถ้าคนไม่รู้หลงทางก็อยากดูเพลินไม่เคยเห็นเลยแต่เกิดมาอยากเห็นปลื้มใจดีใจนึกว่าถึงที่แล้วนึกว่าได้ผลแล้วนีจะเข้าใจอย่างนั้นนะทีนีาบางคนก็เกิดปีติทีเนี่ย บางคนเกิดปีติปีติมีหลายอย่างมีถึงห้าอย่างนะบางทีปีติเล็ก ๆ, ๆน้อยๆะมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงบางคนก็เห็นสีขาวบางคนก็เหือยเยินสบายบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็แขนยาวขา ย, ยาวฟันยาวออกไปก็มีอัอย่างนี้เขเรียกขุตทกาปีติแี่บางคนไม่มีก็ไปเห็นสีแดงๆดังๆบางทีก็เห็นแสบไปตามกายบางทีเหมือนแมลงเม่ามาจับตาตามตัวก็มี บางทีหัวใจสัน่นบางทีขนคันคนลุกบ่อยๆ่อบางทีคันยุบยิบคลายตัวไรไตค า, านตามหน้าตามตัวก็มีเนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของปีติเขาเรียกคณิกาปิติปิติเล็กๆน้อยๆหรือปีติชั่วคณะนี่บางคนตัวโยกตัวเอง็งตัวไหวสะบัดมือสะบัดเท้าบางทีสัน่นบางทีขึ้นใส่เหมือนจะอาเจียนบางทีก็ อ, อาเจียนออกมาบางทีเป็นดุดจจะรลอกซัดเนี่ยบางทีมีสีเหลืองอ่อนสีดอกผักตบ บางทีมีกายโยกประโยกมาบางทีมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเหมือนจะเป็นไข้เนี่ย อ, อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของปีติเขาเรียกโอคกันติกาปีติบางคนสั่นจับไม่อยู่เลยีบางคนก็มีกายลอยกายสูงขึ้นบางทีคันยุบยิบขยิบไหลไต่ตามหน้าบางทีท้องเดินบางทีสะบมกข้างหน้าข้างหลังหลายคนผลักก็นี่ บางคนทำปากน้ำน้ำอ้าปากบ้างหุบปากบ้าง่บางคนก็หกคเมนทถลําไปบางคนก็โดดขึ้นปลิวไปบางทีก็ยกมือยกแขนยกเท้าบางทีก็ไกลไปข้างหน้าเนื้อมาข้างหลังบางทีก็มีสีไขม่มกสีขียวโรมสีนุน่นบางคนบางทีมืออยู่ในท่างหงายเอาไปยกคว่ําลงไปแนละ้วเหมือนคนมาจับไปเดียวมีท่างหงายไปรเรียกถึงคว่ำไเรียกหงายไปเดียกคว่ำ บางทีรู้สึ ก, กมีการโอนไปเอ็นมาเหมือนต้นไม้ออที่รูไปตามลมก็มีอันนี้เป็นลักษณะของบุเพงขาปีติบางทีลอยขึ้นไปก็มีบางคนก็มีอาการเยือกเย็นสงบเป็นพักๆนั่งซึมๆไม่อยากเลิ่อมตาบางคนก็รู้สึกมีการยิบๆิบเหมือนไรไต่ตามหน้าบางทีก็มีสีครามมีสีเขียวไปตองอ่อนสีแก้วมรกต ทำให้เพลิดเพลินไม่อยากกระดุกกระดิกก็มีออันนี้เป็นลักษณะของปีตินี่มันอยู่ในนี้แหละนี้แหละจะให้หลงทางหลงอย่างนี้ตัวกระน้อกว่าโอ้ว้ยสบายดีแล้วบางคนก็สงบเงียบเหมือนเขา่าเข่าคนหรือส ม, มาบัติไม่พุ่งสั่นไม่ลำคานบางทีก็เยือกเย็นสบายบางทีความรู้สึกเงียบหายไปเหมือนหลับก็มีบางทีมันค่องแคล่วว่องไวสมาธิดีไม่เพลอก็มีบางทีความคิดปลอดโปรง่ง คนที่มินิสัยดุร้ายเหี้มโหดทารุณจะเกิดความรู้สึกว่าออธรรมะเป็นของละเอียดมากต่อไปเราจะละความชั่วจะทําแต่ความดีบางคนเป็นพานจีเรติดเล่ามอสราก็จะเลิกละนิสัยเดิมได้มางคนก็เลิกโซพลีได้นิสัยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนทีเดียวรดจะหน้ามือเป็นหลังมือบางทีไม่จําเป็นต้องขมักขม้นต่อการกําหนดแต่ว่าประกรนันใดแต่ใจไม่ซัดสายไปตาละ เ, เมิด นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของปัจสุบเป็นอุปาจิเลตทั้งนั้นบางคนก็มีความสุขสบายมากความยินดีมากเพลดิดเพลินสนุกสนานไม่อยากออกจากจะอยู่นานๆบางทีอยากจะพูดอยากจะบอกผลนิพนธ์ได้ให้แก ค, คนอื่นทราบภูมิใจดีใจคา ย, ยาว่าจะระ ง, งับไ ม, ไม่ได้บางคนพูดว่าตั้งแต่กเกิดมายัางไม่เคยพบความสุขอย่างนี้เลยบางคนก็ น, นึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์มาก บางทีก็เห็นหน้าอาจารย์มาอยู่ใกล้ๆคล้ายกับท่านจะมาช่วยมาบอกสีหน้าเออบอิ่มราเริงเบิกบานเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของความซกหน้าแดงบางคนบางคนเชื่อและเลื่องใสเกินมากเกินไปอยากจะให้คนทุกคนเนีมาเข้าปฏิบัติอยากจะชวนผู้อยู่ใกล้ชิดหมาเข้าปฏิบัติอยากจะสนองบุญคุณของสำนัก อยากให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าไปไกลรวดเร็วกว่า น, นี้อยากจะทำบุญทำทานอยากจะสร้างในปฏิสังขรณท้าวราวัตถุต่างๆนึกถึงบุญคุณของผู้ที่ชวนตนมาเข้าปฏิบัติอยากนำของไปแวไยอาจารย์อยากออกปวดอยากจะอยู่ น, นานๆไม่อยากออกง่ายอยากจะไปอยู่ในที่เงียบสงัดตัง้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมไซส์เข้าใจแน่วแน่วนว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่สามารถยังผู้ปฏิบัติเที่เข้าถึงผลิพันธ์ในอย่างแน่นอนทีเดียว ปากใจเชื่อมั่นเลยทีเดียวว่ารมที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมท่วิเศษที่สุดไม่มีธรรมใดจะเปรียบได้แล้วยากจะไปประกาศโฆษณาธรรมะรู้สึกสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำพร้อมสอนอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เห็นโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยนี่ก็เป็นลักษณะของศรัทธาและบางคนก็ขยันมากเกินไปอาจารย์จะยุไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้ผู้นั้นขาดสติไป ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายไม่ท้อถอยบางที่มันมีแต่ความเพียรมากเกินไปแต่ขาดสติสัำเช็ญญะอ่อนไปทําไมพุ่งก็มีไม่เป็นสมาธิมีความแกล้งกล้าในการปฏิบัติมีความขยันลุกขึ้นปฏิบัติทั้งอาถรรพอดทนมีความบากบันไม่ท้อถอยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกขยันเองโดยธรรมชาติมีความพยายามดีประคองใจไว้มั่นคงดีไม่ยอมให้เสียเวลา ไม่อยากพูดจากับใครๆไม่ยอมหยุดยั้งการปฏิบัติอยากปฏิบัติจริงๆจังๆไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุปกิเลตที่ทําให้คนนั่นปิดที่เรียกว่าปากากาหะแปลว่าความเพียรบางคนก็มีสติเกินไปเป็นเหตุให้เนตถึงอดีตอนาคตทิ้งอารมณ์ปัจจุบันจ้ะเหมือนที่เลกถึงแต่เรื่องอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งนั้นนกะ็นึกได้สมัยเป็นเด็กๆคล้ายๆกว่าจนจะเลิกชาติได้ บางทีก็นึกถึงการข้างหน้าจึงมาออกไปแล้วจะเทศใดดีจะซ้อนใดดีคิดจะส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลและให้จเจริญยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นอุบกิเลสที่เรียกว่าสติเกินไปตามปกติสติเป็นของดีนะความรู้ด้านปริยัตผสมปฏิบัติทาใจให้เกิาใจพิษแต่ตนเองคิดว่าถูกชอบอวดดีสู้ครูชอบผิผากวิจารณ์อารมณ์ต่างๆขื่นพ้องเป็นเกิดยึดเป็นดับดังนี้เป็นต้น นึกถึงหลักฐานต่างๆที่ตนได้รู้ได้ศึกษามาไม่ในปัจจุบันส่วนมากเป็นวิปัสสนึกคือนึกเอาเองเป็นจินตายานไม่ใช่ภาวนาญานแต่ตัวเองนึกว่าเป็นภาวนาทําให้ผู้ปฏิบัติสอบสวนเทียบเคียงเข้าหาหลักปฏิรญัติแต่ว่าจะตรงกับบทไหนทีนต่ตนได้ศึกษาเรือเรียนมาลึกขัดแย้งกันตรงไหนบางทีก็ใจเฉยๆใจลอยไม่ดีใจไม่เสีใจหลงหลงเ ล, ลื่อม พองยุบมวัวๆและบางครั้งไม่เห็นพองยุบชัดใจลอยเลือนเรือนคล้ายก็ว่าไม่ได้นึกคิดอะไรบางครั้งก็เห็นพองยุบฟังครั้งไม่เห็นไม่โกรนก็ไว้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่อยากได้ดิบไดเดีอะไรเลยเนี่ยบางคนก็พอใจในอารมณ์ต่างๆเห็นแสงสวางศรัทธาคมเพียรบางทีเห็นภาพนิมิตต่างๆเห็นแสงเป็นสีเห็นปฏิเดียเห็นป่าเห็นภูเขา เห็นแม่นม้ำลำธารนห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอาหารหันตภาัที่จะเกิดนี้แหละคือลักษณะของมัคคามัคคญยานทัศนวิสุท ธ, ธิทั้งนั้นนี่เป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่ห้าท่านเรียกว่ามัคคามัคคคือทางถูกกับทางผิดทางที่เห็นเหล่านี้มันเป็นทางผิดทั้งนั้นที่ลากล่าวมาเนี้ยถ้าใครไปติดอยู่วิธีแก้ไขต้องกังวลให้หา ย, ห, ายหมดจึงจะขึ้นต่อไปได้ดังนั้นวิสุท ธ, ธิข้อที่ห้านี้จึงได้แก่ ยานที่สามยังแก่เข้าเขตยานที่สี่อ่อนๆเขตวิปัสโนภิกเลสจะต้องเกิดขึ้นตรงนี้จึงทำให้ผู้นั้นเข้าใจผิดจึงต้องมีอาจารย์คอยแก้อารมณ์ให้เสมอถ้าใครไปแล้วไปเพลินอยู่เรียกว่าติดแล้วติดอารมณ์นี้แล้วขึ้นไปสูงไม่ได้ต้องแก้ทันทีวิธีแก้ต้องกำหนดเห็นเนาะให้หายไปซะถ้าหายช้าๆแสดงว่าสติสมาธิของเราอ่อนแอไปไม่สูง ต้องเดินตรงกลมเพิ่มขึ้นใหม่จึงจะใช้ได้เอาละต่อไปก็เป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่หกข้อที่หกท่านเรียกว่าปฏิปทายาณทัศนาวิสุท ธ, ธิแปลว่ามีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลําดับลําดับนั่นเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนาวิสุทธิก็ามหมายของว่าวิสุท ธ, ธิข้อนี้นะ่ะมันจะต้องรวมเอาญาณที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบสิบสองนี่ เป็นวิสุทธิข้อที่หกนะวิสุทธิที่ข้อที่หกรวมไปยานสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเก้ายานยานที่สี่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ก็อุทยับพยานเห็นความเกิดดับของรูปนามเห็นประไตรักษชัดห้าสิบเปอร์เซ็นตนี้ก็เป็นวิสุทธิที่หกเริ่มเข้าแล้วก็ห้าพังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวนี้ก็อยู่ในเขตวิสุทธิที่หก ข้อหกพยายามเห็นรูปนามเป็นของน่าโกลอันนี้กูอยู่ในวิสุทธิที่หกข้อที่เจ็ดยานที่เก็ดอาธินวายานอาทีนวายานเห็นทุกเห็นโพธของหกเรนามอันนี้ก็อยู่ในวิสุทธิที่เก็ดข้อที่ยานที่แปดนิพพิทยานเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเรนามอันนี้กูอยู่ในวิสุทธิข้อที่หกยานที่เก้ามุนจิตุกรรมยาตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้น ยานที่10ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยานที่11บสังขารุปปิขยานร่างเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ดูกรมเกิดดับของรูปนามอยู่ยานที่ส2องอนุรมายานเห็นอริยสัจส์่ชัด 99% เห็นพระไตรลักษณ์ชัดร0 0เซนี่เป็นยานที่ส2องตั้งแต่ยานที่4ี่ห้า10เจ็ดด รวมเก้ายานนี้แหละเป็นเจตของวิสุทธิข้อที่หท่านเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนาวิสุทธิเพราะว่ามีข้อปฏิบัติมีคองมรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ ด, ดําเนินไปโดยลําดับมีข้อปฏิบัติดําเนินไปโดยลําดับลําดับก็หมายความว่ายันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบเจ็สิบสองเกิดขึ้นมาโดยลําดับลําดับอันนี้จึงจะเป็นวิสุทธิข้อที่หรวมเอาวิสุทธิทั้งเก้าข้อมาอยู่ในจุดเดียวกัน ส่วนวิสุทธิที่เกตก็ได้แกยนะ่ยาณทัพสเนวิสุทธิแปลว่ามีความรู้ความเห็นอันบริสุทธินี่คือมักมักทั้งสี่โสดาปฏิมักสกิทาขายมักอนาขายมักอรหัตตมักนี่คือวิสุทธิข้อทีฏเตเป็นโลกุตรนะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วกิเลสขาดแล้วผู้ใดถึงวิสุทธิข้อนี้ก็หมายความว่าได้ผลร้อยปรเ์เซ็นแล้ว ญาณทัพนะวิสุทธิมีคองรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือมัคสีโสดาปฏิมัคสกิทาคามัคอนาคามัคอรหัตมัควิสุทธินี้ต้องถึงเกดครั้งถึงวิสุทธิครั้งที่ทขข ห, หนึ่งกิเลสขาดไปห้าตัวโลภสีโมหะหนึ่งวิสุทธิถึงวิสุทธิเกดครั้งที่สองกิเลสที่เหลือเกดอ่อนกำลังถึงวิสุทธิครั้งที่สาม โสดาตายไปสองถึงวิสุทธิครั้งที่สีโมหะตายไปหนึ่งโลภะตายไปสีหมดเกลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นวิสุทธิก็ต้องเกิดถึงสี่ครั้งกิเลสของคนจึงจะหมดไปได้วิสุทธิข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หเป็นโลกิยามีรูปกับนามเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าปรมัตมมีรูปนามเป็นอารมณ์วิสุทธิข้อที่เจด เป็นโลกุตกตะมีนิพพานเป็นอาร 6, มณ์ภิสุทธิที่หนึ่งถึงหกนี้เป็นโลคียะนะภิสุทธิที่เจ็ดเป็นโลกุตระยานที่หนึ่งถึงสิบสองเป็นโลคียะมีรูปนามเป็นอารมณ์ญานที่สิบสี่สิบห้าเป็นโลกุตตะมีนิพพานเป็นอารมณ์ญานที่สิบสามอยู่ในร <Blaze sounds> <Miller> ะหว่างกลึงกลางอยู่ในกึ่งกลางระหว่างนายานที่ 14, <Method. S 2> <arem> สกับยานที่สิบสี่ต่อกันนั่นเป็นยานที่สิบสามยานที่สิบหกเป็นโลคียะอันนี้ว่าถึงยาณสิบหกเวียส่วนวิสุทธิเนั้นวิสุทธิที่หนึ่งถึงที่หกเป็นโลคียะมีรูปนามเป็นองค์วิสุทธิที่กตเป็นโลกุตะละมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่าโดยละเอียดแล้ววิสุทธิเกตก็คือวิปัสสนาญาณสิบหกนั่นเองแต่ว่าเรียกย่อ เรียกย่อซะว่าวิสุทธิเกศแต่ที่แทก็คือวิปัสนาญาณทั้งสิบหกนั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันถ้าเรียกย่อก็เรียกว่าวิสุทธิเก็ข้อโทดังนั้นคําว่าวิปัสนาแปลว่าเห็นแก้งคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปนามเห็นปัตไตรักเห็นมรรคในพานถ้าตอบอย่างกลางก็เห็นวิสุทธิเกศ ด, ดังที่กล่าวมานี้ถ้าตอบอย่างละเอียดก็เห็นวิปัสนาญาณสิบหกขั้นอันนี้เป็นวิสุทธิที่เจ็ดก็จบกันนะ จึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวิสุทธิเกตไปแต่เพียงเท่านี้แสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่การเวลาแล้วเอวังก็มีด้วยประการชนีย์นิยธริวห้าผู้ราปริปุเรนติสักรังเอวเมวโาโตตินังเปตานังอุ ป, ปกปติอิิตังปฏิตังตุมหังเข็บปเมวสมิตาโต สัพเพภูเรนโถสังกปาจชนโธปนารโสยตามนิชโชติรโสยทาสพิติโยวิวัชตชนโตทัพพโรโควินนตสตุมาเตปวัตวันตรโย ο, สุขีที่ข้ายกาุกโอปวะอภิวาสนาสีริ ส, สนิจจมุตถะปัจจายนโนจัตตารโธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลาง